มงคลที่ปณีแปลโดยอัดภาคที่หนึ่งก็ที่8สัพท์ว่าอาถะเป็นนิบาตใช้ในอัดว่าไม่ขาดตอนจบประโยคสัพท์ว่าโขเป็นนิบาตใช้ในอัดว่าแสดงเรื่องอื่นจบประโยคสัพท์ว่า อ, าอัถะโขทั้งสองนั้นท่านพระอนุนเตเทระที่แจ้งว่าเรื่องอื่นไม่ขาดสายเลยได้เกิดขึ้นแล้วนะที่นั้น คือที่ประทับแห่งพระพุทธพระพากย์เจ้าจบประโยคเพื่อจะเฉลยคําถามว่าเรื่องอื่นนั้นคืออะไรท่านพระอนุนเถระจึงกล่าวคําว่าอัญญตราเทวตาดันางนี้เป็นต้นจบประโยคบรรดามบทเหล่านั้นบทว่าอัญญตราได้แก่เทวดาผู้ไม่ปรากฏโดยนามและโคตรตนหนึ่งจบประโยคความจริงคําว่า เทวดานั่นเป็นนามทั่วไปทั้งหญิงและชายจุโยคแต่ในพระสูตรนี้ท่านพระอนุเตระกล่าวเฉพาะฝ่ายชายว่าเทวดาจุโยคอธิบายว่าเทพบุตรจุระโสองบทว่าอภิกันตายะรติยาความว่าเมื่อราตรีกล่าวคือปฐมยามสิ้นสุดแล้วจุะบยความจริงในคาว่า อภิกันตายระรติยานี้อภิกันตศัพใช้ในอัดว่าสิ้นไปรติศัพใช้ในอาจว่าปตมยามตุดในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปตมยามสิ้นไปแล้วปตมยามบานไปแล้วฉะนั้นจบประโยคบทว่าอภิกันตะบรนาแปล ว, ว่าผู้มีผิวงดงามจบประโยคความจริงในคำว่า อภิกันตะวันนานี้อภิกันตาศัพท์ใช้ในอาจว่า ง, งดงามดูดในประโยค์ทั้งหลายเป็นต้นว่าหัวเล็บใครมีวันะน ง, งดงามอย่างที่ตั้งปลงให้สว่างสวัยอยู่ฉะนั้นจุดภาควันนะศัพท์ใช้ในอาจว่าผิวดูดในประโยชน์ทั้งหลายเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชวีดังทองฉะนั้นจุดประโยค บอกว่าเกวัละกับปังได้แก่ไม่มีส่วนเหลือโดยรอบจดประโยชนความจริงในคําว่าเกวัละกับปังนี้ความไม่มีส่วนเหลือเป็นความหมายของเกวัลละสัพตุดในประโยชน์ทั้งหลายเป็นต้นว่าโมเล็บพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศปิโมเล็บประมัญจั์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นจุลภาค ความเป็นโดยรอบเป็นความหมายของกัปปะสั์ดุจในประโยค์ทั้งหลายเป็นต้นว่าอย่างเวรุวันไม่มีส่วนเหลือโดยรอบให้สว่างสวัยแล้วฉะนั้นจบประโยคบทว่าโอภาเศตวาได้แก่แผปรัศมีไปอธิบายว่าทําไม่มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันดุจพระจันทร์และพระอาทิตย์ฉะนั้นจบประโยคหลายบทว่าเยนะ พระกว่าเตนุปะสังกมิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นที่ใดก็ไปในที่นั้นชบประโยคความจริงสองบทว่าเยนะเตนะนั่นเป็นตัติยวิพัติใช้ในอัตสัตตมีวิพัสชบประโยค อ, อย่างหนึ่งอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า อันเหล่าเทวดาและมนุษย์ถึงเข้าเฝ้าด้วยเหตุกล่าวคือความประสงค์คุณวิเศษมีประการต่างๆอันใดจุลภาคเทวดาก็เข้าเฝ้าแล้วด้วยเหตุอันนั้นจดประโยคอกอคิย์เกาขม่ า, าอุปสังกัมมิตวาเป็นคําแสดงถึงอวาสานแห่งการเข้าเฝ้าจนประโยคอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเทวดาผู้ไปแล้วอย่างนี้ ไปแล้วสู่สถานที่ใกล้กว่านั้นล่าวคือสถานที่นับว่าใกล้พระบรมศ า, ศาสดาจบประโยคบทว่าอภิวาเทตวาได้แก่ถวายบังกมแล้วจบประโยคบทว่าเอกมันตังได้แก่ณนะโอกาสแห่งหนึ่งคือณข้างหนึ่งจบประโยคบทว่าเอกมันตังนั่นเป็นณนปุงสักหลิงตามภาวะจบประโยค อีกอย่างหนึ่งบทว่าเอกมันตังนั่นเป็นทุติยา ว, วิพัฒลงในสัตตมีวิพัฒจุลภาคก ว, ว่ามากณโอกาสแห่งหนึ่งจบประโยคบทว่าอาถาสิได้แก่สาเร็จการยืนอธิบายว่าได้เป็นผู้ยืนอยู่แล้วจบประโยคความจริงเทวดาผู้ยืนเว้นโทษแห่งการยืนหกประการคือยืนข้างหลังนักหนึ่ง ยืนข้างหน้านักหนึ่งยืนที่ใกล้นักหนึ่งยืนที่ไกลนักหนึ่งยืนที่เหนือลมหนึ่งยืนที่สูงหนึ่งชื่อว่ายืนนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งจบประโยคตามมาก็เพราะเหตุไรทเทวดาตนนี้จึงไม่นั่งจบประโยคแก่ว่าเพราะต้องการจะกลับเร็วจบประโยคความจริงทเทวดาทั้งหลายมาสู่มนุษย์โลกซึ่งเต็มไปด้วยของไม่สา เหมือนที่ตั้งเวทเพราะอาศัยเหตุบางอย่างเท่านั้นจุลภาคก็ตามปกติจำเดิมแต่ร้อยยอมนุษย์โลกย่อมเป็นสถานที่ปฏิกูลสำหรับเทวดาเหล่านั้นเพราะมีกลิ่นเหมน็นจุลภาคพวกเทวดาย่อมไม่ยินดียิ่งในมนุษย์โลกนั้นเพราะเหตุนั้นเทวดาตนนี้จึงไม่นั่งเพราะต้องการจะทากิจของผู้มาแล้วกลับเร็วจบประโยค้อที่10 เทพบุตนั้นยืนนะที่ส่วนข้างหนึ่งอย่างนี้แล้วเห็นเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลผู้ประชุมกันในจักรวาล น, นี้ด้วยความประสงค์จะฟังมงคลปัญหาซึงในระมิรอัตภาพอันละเอียด10บ้าง20บ้าง30บ้าง40บบ้าง50บบ้าง60บ้างเจบ้าง80บ้างขระเท่าโอกาสปลายสุดขนสายเส้นหนึ่ง ยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับนั่งบนบรวรพุทธาฏซึ่งเขาปูราดไว้ทรงเปล่งปลังล่วงเทวดาและพรหมเหล่านั้นทั้งหมดทราบด้วยใจถึงความปริวิตกแห่งใจของมนุษย์ชาชมพูทวีตทั้งสิน้นแม้ผู้มีได้มาในสมัยนั้นเพื่อจะถอนลูกศรคือความสงสัยของเหล่าเทวดาและมนุษย์จําพวกจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าจประโยค เพราะเหตุ น, นั้นท่านพระอนุนเตระจึงกล่าวคาว่าเอกัมมันตังที่ตาโขสาตานี้เป็นต้นจนประโยค